ลูกน้องบริวาพรพอใกล้วันขึ้นมาเอาขนของขึ้นไปชั้นเจ็ดนะขึ้นไปชั้นเจ็ดแล้วปิดประตูทุกชั้นเวลาเราจะลงมาให้คนอยู่ที่นั่นอยู่อยู่ที่ประตูน่งสองคนเวลาเราจะลงมาให้ผัก อ, อกขว่าอย่าให้เราลงมาแล้วก็ปิดประตูให้ดีใส่กรอนให้ดีทุกชั้นเพราะว่าท่านบวชทานายบอกว่าเนี่ย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 ทนตรัดแล้วหนึ่งแล้วไม่มีสองเออจากนั้นจุปปะพุท ธ, ธาก็อยู่ในชั้นเจ็ดนะพอถึงเจ็ดวันท่านนะ่ม้าอยู่ข้างล่างนะ่ม้าที่ม้าทรงของพระเจ้าจุปปะพุท ธ, ธาอยอู่ที่ห้องห้องอยู่ชั้นล่างนะเออเป็นม้าที่บกที่พระพุทธที่จุปปะพุท ธ, ธารักมากจะไปที่ไหนขึ้นม้าทรง